มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัคศีลปปฏิถนาลักษณะปัญหาที่เก้าถามว่า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 โสเป ต, ต ว, วาจึงถานที่ให้เตียนคานุกันทกังนำเสี้ยนน้ำหลักตอตัดโค่นให้ราบสมังกัตต ว, วาปราพื้นให้ราบดีแล้วจึงกระทําเป็นราชธานีนครยะถาฉันใดพระโยคาวัจรก็รักษาศีลสังวรให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นอันดียังอินสีห้าคือสัตถินสีคือวิริยินสี คือสตินสีคือสมาธินสีคือปัญญินสีให้จำเริญเป็นอันดีเหมือนวัตถกีอันสร้างนคร น, นั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินทรงได้ยินพระน้ า, าเกษมอุปมามีพระราชะองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งกว่านั้นพระน้ า, าเกษมถวายพระพรแก่พระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีเป็นอุปมาว่ายังมีโยธาจตุรง์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 อันบังเกิดตั้งมั่นไปในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นที่สั่งสอนสืบมาสัพพชินานังแห่งสมเด็จพระชินเนทนทรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นนี่แหละคำอัตมาอันวิสัชนาก็สมด้วยพระพุทธดีกาโปรดไว้ชนี้ขอถวายพระพรเมื่อพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขเป็นอุปมาอุปไมยชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินธรณี